ขอความเจริญในธรรมต้องเกิดมีแก่ญาติโยมผู้มีความตั้งใจในการวางธรรมทุกทุกท่านตอนนี้ก็เป็นเวลาที 4, 35, ่ส35ห้เราก็เสียเวลาไปห้านาทีไม่เป็นไรในโอกาสที่โยมยินดี มาทำบุญวันเกิดแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราเอง <c oughs> ในขณะนี้ก็ชื่อว่ายินดีเหมือนกันทุกคนชื่อว่ายินดีหมดอารามะเรเรียกว่าอารามอารามอารามเราก็มาชื่อว่าวัด อารามแปลว่าสถานที่เป็นที่น่ายินดีดะนั้นเราเข้าไปในวัดเข้าไปวัดไหนรู้สึกว่ามันมีความสบายใจมีต้นไม้ต้นลายมีสิ่งที่เป็นธรรมชาติวัดนั้นก็เรียกว่าอาราม เป็นที่มายินดีน่ายินดีดังนั้นก็จะตกแต่งวัดแบบสมัยโบราณโบราณคือส่วนมากก็จะมีต้นไม้จะเป็นไม้ดอกหรือว่าไม้ประดับหรือว่าไม้กุ้มเหมือนถ้าวัดไหนเป็นอย่างนั้นก็ เ, เรียกว่าเป็นวัดที่น่ายินดีแต่ถ้ามีไม้ดอก ก็ทำให้เพลิดเพลินไปแต่มีไม้ประดับไม้ที่ไม่เป็นไม้ดอกมีสีมีสันให้มันเป็นธรรมชาติมีต้นไม้มีก้อนหินมีบรรยากาศที่เข้าไปแล้วรู้สึกว่าสงบเย็นวัดนั้นก็เรียกว่าเป็นอารามไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะวัดนี้ อารามหลวงอารามหลวงคือทางหลวงก็สร้างแต่ว่าอารามเป็นที่มายินดีน่าพอใจที่ตรงไหนก็ได้วัดไหนก็ได้ทำให้เป็นอารามขึ้นมาถ้าวัดนั้นทำให้เป็นอารามขึ้นมาวัดนั้นก็มันน่าไปนั่งสมาธิน่าจะไปเดินเล่นนมันสงบสงบ เรียกว่าอารามที่ไหนก็ได้แม้แต่ที่แถวยุโรปแถวยุโรปเองในป่าชาป่าช้ามีไม้ดอกไม้ประดับเป็นทิวเป็นแถวเป็นร่องเป็นแนวก็ประกวดกันนั้นไม้สีเหลืองเป็นไม้สีแดงเป็นไม้สีชมพูเป็นไม้สีม่วก ไม่รู้ผีจะไปอยู่ตรงไหนทีนี้พอเห็นแล้วเออมันน่าจะมานั่งสมาธิน่าจะมาเดินจงกรมไม่เหมือนกับป่าชาไทยป่าชาไทยเข้าไปแล้วรกมันรกเอรกก็ทำห้คนกลัวทีนี้มันกลัวผีอ่ะมันไม่ใช่เป็นอารามมันกลัวผีแต่ว่าของยุโรปนะ่ะก็ทำอะไรเดียบรอย แม้แต่ป่าชาที่ขวงศพทำเรียบร้อยหมดน่าจะเป็นนั่งก็ประกวดกันเอาประกวดที่ขวังศพ น, นี่อารามก็เหมือนกันให้เราส่วนมากก็นในประเทศไทยนี่เราก็จะประกวดกันในเรื่องอื่นทำโบทร้อยสวย บางจังหวัดก็ทําชุ่มประตูเรียกคนทําชุ่มประตูสวยๆอย่างจังหวัดสงขลานี่จากอําเภอระโนดไปถึงจังหวัดสงขลาถึงตัวจังหวัดนะวัดนั่นก็ทําชุมประตูวัดนี้ก็ทําชุมประตูพยายามทําทให้สวยกันที่สุดทางนั้นเลยแต่เข้าไปในวัดได้อะไรมาบ้าง หายยากนี่เรียกว่าสวยเดชรุมประตูเป็นการประกวดรุมประตูกันประกวดโบสถ์รุ่มปัตตูสาราโรงธรรมไม่เขาไม่ชื่อกันแล้วว่าสาราโรงธรรมเนี๋ยวนีชื่อว่าสาราการไปรเรียนให้ตามที่จริงสาราโรงธรรมเป็นที่สําหรับที่จะฟังธรรมแต่ที่ชื่อว่าสาราการไปรเรียนะ เพราะว่าศาลาหลวงธรรมนั่นแหละเป็นที่สอนหนังสือสอนธรรมะสำหรับที่สสสแสดงธรรมโดยทั่วทั่วไปไม่ว่าเป็นงานอะไรเป็นงานบุญงานตายงานอะไรก็สแสดงกันที่ศาลาหลวงธรรมดังนั้นทีนี้บังเอิญว่าไม่มีที่เรียนหนังสือว่าไม่มีที่เรียนหนังสือ ก็เลยไปตั้งเต้าอะไรข้าวว่าไม่เป็นวันพระไม่เป็นวันโกนไม่ได้ทํากิจกรรมอื่นก็ให้เป็นที่เรียนหนังสือไปอก็เลยเชื่อว่าตั้งเป็นศาลาโรงธรรมตั้งศาลาการปเปลียนพอไปไปมาๆก็เป็นศาลาการปเปลียนไปนี่เรียก ว, ว่ามันเพี่ยนไปมันเปี่ยนเพี่ยนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อ ย, อยแต่ละอย่างแต่ละอย่าง ก็ฉะนั้นการเข้าวัดแต่นวัดเข้าไปด้วยความยินดีก็มีเข้าไปด้วยความยินร้ายก็มียินร้ายในการนีเข้าไปถึงก็ไม่พอใจไม่ชอบใจก็มีทีนี้จะพูดอะ้รมันเลยเถิดไปอีกว่าเช่นว่าเข้าไปแล้วมันมีงานศพ ก็มีงานจบมีวงเฮโลมีอะไรต่ออะไรวงการพนันดื่มเหล้ากันไม่ใช่แค่ยังก็เป็นที่มายินดีเหมือนกันเป็นที่มายินดีของคนชอบการพันนันของคนขี้เหล้านี่นี่คําว่าเป็นที่มายินดีเป็นที่มายินดีนี่มันเป็นชื่อกลางกลางเป็นชื่อกลางกลาง จะยินดีก็ในเรื่องอะไรก็ได้ทีนี้ในเรื่องของการวังธรรม เ, เ, าเราจะฟังกันมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะาผู้ที่เก้าคอร์สในการปฏิบัติ อ, อยากจะบอกให้วังสักสิบข้อส0บข้อนี่ก็คือเป็นเรื่องของกาลามาสูตร กาลามสูรเป็นหมู่บ้านของชาวกาลามะในประเทศอินเดียในสมัยนโน้นทีนี้ชาวกาลามะใครผ่านไปทางนั้นก็จะต้องแวกต้องแวะคือพระองค์ไหนไปก็ควรต้องนิมนต์คือมีที่ประจําที่พระจะต้องไปบรรยายไปอะไรผ่านไป เรก็ไปคุยธรรมะยงฟังพระองค์ไหนไปก็ผ่านไปคุยธรรมะหรือเทศนายงฟังเป็นประจำจนชาวบ้านหัวหมุนแล้วไม่รู้จะไปเชื่อใครทีนี้ไม่รู้จะไปเชื่อพระองค์ไหนองนั้นก็อาจารย์องค์นี้ก็อาจารย์องโน้นก็ดีองค์นี้ก็เก่งเก่งท่านนั้นเลย วันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปพอเสด็จไปชาวบ้านก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าไม่ทราบจะทํำยังไงพระเจ้าค่ะเนี่ยมันตกลงปรองใจไม่ได้แล้วตกลงไม่ได้ว่าไม่ทราบจะเอาธรรมะข้อไหนมาปฏิบัติทีนี้พระองค์ก็เลยตรัสกาลามสูตรกาลามสูตรข้อที่หนึ่ง ก็มีว่าอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าฟังตามตามกันมาเหมือนกับว่าหาเสียงแล้วตอนนี้เหมือนหาเสียงหนึ่งฟังตามตามกันมาเออเก่งองนั้นเก่งองค์นี้ดีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอง์นี้แกั่งเนี่ยไดฟังตามตามกันมาเนีแ่ยบบพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าอย่าถือเอาว่าจริง เพราะเหตุเพียงสักว่าวาฟังตามตามกันมาแต่เป็นภาษาบาลีก็เรียกว่าอนุสเวนะทีนี้ข้อที่สองอีกอย่าถือเอาว่าทําตามตามกันมาทําตามตามกันมาหนึ่งฟังตามตามกันมาสองทำตามตามกันมาก็ถือเอาไม่ได้เหมือนกัน อนนี้ไอ้ที่ทำตาม ๆ, ๆกันมามีวัดหนึ่งคงจะมีคือมีสมบานสมบานขอเป็นยังไงที่เขาเรียกว่าเทินสองบาทนะเทินสองบาทเขาไปบินตบาทก็ไปเป็นแถวทางนั้นเน่ยเขาไม่แตกแถวเหมือนกับในสมัยนี้เนี่ยมันเพิ่งจะหมดไปนี่แต่บางวัดตามป่าตามอะไรก็ยังมีกันอยู่พระไปบินทบาท จะไปพร้อมกันใครเันษามากหรือว่าสมพานเจ้าวัด เ, เดินหน้าชวนธรร ม, มนเนนก็เดินหลังสุดที่นี่ก็ที่เรื่องเทนสองบาทสมพานก็ไปถึงบริเวณนอกวัดก็ยกบาทขึ้นมาแล้วก็ซองดูซองบาทซองดูบาทที่นี้ก็ แค่ยังไงโลกวัดก็ส่องบาทกันวัดนั้นก็กลายเป็นวัดเทนส่องบาทไปใครก็ส่องบาทตรองบาทตรองบาทกันทั้งนั้นทีนี้เทนส่องบาทนี่เป็นยังไงือ เ, เรียกว่าดูความเรียกร้อยแต่เสร็จแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรส่องบาทกันเพราะในบาทนะบางทีพระเผลอเลอะไปบาทนี่ก็จันเสร็จแล้ว ฉันในบาทก็ตามให้ฉันในบาทก็ตามฉันเส็จแล้วก็ต้องล้างทําความสะอาดเดียบร้อยทําความสะอาดแล้วก็ยังไม่พอเอาผ้ามาเช็ดเช็ดเช็ดเช็เช็เอาผ้ามาเช็ด เ, าาเช็ดน้ําให้มันสะอาดเพราะถ้าหากว่ามันมีน้ําอยู่ก็จะทําให้ถ้าเป็นบาดเหล็กมันก็ขึ้นสนิมทีนี้พระองค์หนึ่ง พอ เ, เช็ดบาทเสร็จแล้วใหม่เป็นอะไรความเฉลยเลยหรือว่าใหม่เรียบร้อยนั่นเองก็เอาผ้าเช็ดบาทนั่นแหละใส่ลงไปในบาทแล้วก็ปิดขวาปิดขวาเปิดขวาทีนี้พอปล่อยบินธบาทไปบินทบาทก็ไปกันเป็นแถวทีนี้ไปถึงก็ยืนเรียบร้อยาตาก็สองไปติดูลงไปตีขวาบาท โยงก็มาใส่ใส่ใส่ใส่พอถึงพระองค์นี้ท่านก็เปิดบาตรพอเปิดบาทมีผ้ากองอยู่ในบาทเหมือนกับงูอย่างนั้นเนี่ตกใจพระเองก็ตกใจโยมเองก็ตกใจนี่เพราะไม่จองบาทการจองบาทรคือทำให้มันเรียบร้อยดูให้มันเรียบร้อยแกนั้นเองเพราะฉะนั้นในข้อที่สองนี่เทำตามตามกันมาทีหลัง ไม่รู้ว่าก็ซองบาททําไมน่าจะมีขี้ควนมัน่าจะมีช้อนช้อมีอะไรอยู่ข้างในนี่ยกบาทขึ้นมาเทมาอะไรก่อนเสร็จแล้วก็ต้องตรวจทุกวันนี่ไม่ใช่ว่าทําอะไรทํำทำทําตามตามกันมาเันนี้พอมาที่หลังสมพานตายแล้วสมพานใหม่ก็ก็ตั้งสมพานใหม่สมพานใหม่ก็ซองบาทอยู่อย่างนั้นเนี่นี่เรียกว่าทําตามตามกันมา ไม่รู้เรื่องอย่างนี้นี่คือข้อที่สองข้อที่สมก็เล่าลือกันมาเล่าลือเล่าลือกันมานึ่ของเราเนี่ยเรียกว่าเล่าลือกันมาเออที่สำนักนั้นเก่งสำนักนี้ดีที่โ น, น้โอ้ยวันไม่เ้าวยิงไม่เข้าวนี่เล่าลือกันมานี่ก็เยอะแยะอย่างนี้เล่าลือกันมานี่คือข้อที่สาเรียกว่าเล่าลือกันมา ไปฟังดูที่พระองค์นั้นพูดองคไหน อ, องไห น, ออหนพูดเรื่องอะไรเราดอกันมาถูกไปฟังฟังฟังจนจําไม่ทูกอาจจะเอาเรื่องอะไรมาปฏิบัตินี่คือข้อที่สาชวนข้อที่สี่ก็อย่าถีอเอาว่าจริงเพราะว่าอ้างในพระไตรปิดกในพระไตรปิดกก็มีเยอะแยะหมดมีเยอะแยะ ในพระไตรปิฎกที่แอบแฝงมาก็มีเป็นของพระสาวกก่อนมีอะไรก่อนมีมีทางนั้นแต่ของพระพุทธเจ้าคือเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องแท้เป็นเรื่องดับทุกข์โดยเฉพาะทีนี่คําพูดของพระพุทธเจ้ามันไม่ไปเราะเหมือนกับของพระสาวกบางรูปของพระสาวกบางรูปพูดจะไปเราะเพราะพลิง เหมืกับว่าพรรณนาเรื่องสวรรค์อย่างนี้โอ้สวรรค์มีบ้านที่น่าอยู่เรียบร้อยสวยงามประดับด้วยสิ่งเครื่องประดับต่างๆอะไรอย่างนี้นั่นคือของพระสาวกแต่ว่าของพระพุทธเจ้าพราอก็ตรัสว่าทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุในเกิดทุกขเป็นอย่างนี้อย่าง น, น, างนี้ความดับทุกขเป็นอย่างนี้อย่างนี้หนทางให้ถึงความดับทุกข เป็นอย่างนี้อย่างนี้ฟังไม่ถูกไม่เอาเลยของพระพุทธเจ้าไม่เอาเลยเอาของพระัดสาวกไปเอาสวรรค์ไปเอาอะไรอย่างโน้นเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็คืออ้างในพระเจ้าวิโดในพระเจ้วิโดกท่านพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาท่านบอกว่าต้องตัดออกหลายเปอร์เซนต์ทีเดียวที่มันดับทุกข์ไม่ได้ดับทุกข์ไม่ได้ก็มไม่ต้องไปเอา ไม่ต้องไปเอาไม่ต้องไปเสียวเวลาแล้วก็ต่อไปอีกก็ว่าอย่าที่เอาว่าจริงเพราะเหตุผลตามการคาดคะเนนี่เรียกว่าต ก, กะเหตุตการคาดคะเนคือโดยอย่างนี้ก็เรียกว่าช้เหตุผลเหตุผลเหตุผลเหตุผลมันไม่จบสักทีหนึ่งไงไม่จบ ไม่มีคำว่าจบจักทีหนึ่งเรียกว่าตักกะนี่ตักกะผู้ที่มีการศึกษามากนะชวนมากมีแต่ศึกษาไม่ปฏิบัติพวกนี้คือใช้ตักกะไม่ปฏิบัติใช้ตักกะใช้ตักกะก็เหมือนกับนั้นแหละทางรถไฟนั่นแหละทางรถไฟทางรถไฟสองไอ้สองข้างไอ้เหล็กสองข้างรางสองข้างไป ไปกันเรื่อยเด็กไม่มีไม่รู้จบตรงไห น, นมันไปกันเรื่อยเนี่ยใช่ตักกะก็คือใช่เหตุผลใช่เหตุผลทังนั้นเหตุผลที่มันดับทุกขไม่ได้เราจะเห็นว่านี่เรียกว่าใช่ตักกะเป็นการคาดคะเนตกกะเหตุตุข้อต่อไปก็เรียกว่าใช่เหตุหรือสันนิฐานนายนยะนยะเหตุตุก็ใช่กันมากกันอยนี้ เออนัยยะมันเป็นอย่างนี้นัยยะก็คือนอยนั่นแหละหนอยมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่นอยใช่นัยยะมันเป็นอย่างนี้นัยยะมันเป็นอย่างนี้เอาดูที่บางคนนักการเมืองเออนัยยะมันต้องอย่างนี้อย่างนี้หน่อยอย่างนี้นี่อย่างนี้เรียกว่ากายนัยยะนัยยะคือนอยไอ้วันนอยนอยนอยสันนิฐานนี่สันนิฐานก็ต่อไปก็ว่าตรึก ตามอาการเราจะว่าอาการปรปิวิตตกไริว่าปริวิตักกะตรึกตามอาการตรึกไปแต่ว่ายังไม่จบ เ, เรียกว่าตรึกตรองไปแค่นั้นเองตรึกตรองก็คืออะไรเรียกว่ารูปประจานนะรูปประจานรูปประจานก็ที่หนึ่งวิตตกวิจารวิตกวิจารวิตกวิจาร ก, ก็คือตรึกตรองไป วิตกวิจารเอาวิตกวิจารก็เอาแล้วตกลงแล้วจริงแล้วแน่แล้วนวิตกวิจารทีรนี้ในรูปปัจจันวิตกวิจารณคือตรึกตรึกหรือก็ตรองเราตรึกอย่างไรเช่นว่าเราตรึกว่าเออผมนี่ <c oughs> ในเรื่องของอจุภากรรมฐานตรึกตรองเรื่องผมเออผมสีดำ โดยสีสันก็น่าเกลียดอยู่บนหนังสีสาหนังสีสาก็น่าเกลียดมีแล้วก็อาหารน้าเลือดน้ําหนองก็น่าเกลียดหน้าที่การงานก็รับขี้ฝุ่นน่าเกลียดอะไรก็น่าเกลียดทั้งนั้นนี่เรียกว่าตรึกตรองตรึกตรองวิตกวิตกวิจารณทีนี้อพอวิตก ได้แก่นี้เ็าคิดว่าจริงแล้จริงแล้จริงแล้ยังไม่เห็นตัวจริงจริงแล้จริงแล้จริงแล้ก็เลยออกมาอ้าทีนี้ถ้ารูปประจาิจริงๆวิตกวิจารกที่หนึ่งตรึกตรองก็ที่สองปิติเกิดปิติเออเห็นจริงเห็นจริงโอ้มาจบกระปรกจริงจริงเช่นผมเนี่ยมันจกกระปรกจริงๆริงไเห็นเพียงส่วนเช่นผม มันตรกกระปรกจริงๆก็โดยวิตกวิจารเกิดปีติขึ้นมานี่มันต้องเห็นจริงมีปิตกมีวิจารมีปีติมีสุขมีเอกกัตตาโน้นมันไปลงที่เอกกตาโนนข้อที่สโนนมันไปลงข้อนโนนนี่เรียก ว, ว่าไอ้วิตกวิจาร์มันเป็นเพียงเริ่มต้นแค่นั้นเองเป็นเพียงเริ่มต้นยังไม่ได้ ยังยังใช้ไม่ได้นี่ก็อาจารย์อีกประเภทหนึ่ง เ, เราก็ไม่เอาทีนี้อย่าถีเอาว่าทนต่อการ เ, าเพ่งทิฏฐิหรือว่าเรียกว่าทิฏฐิทิฏฐินิจชานักขันติก็คือเห็นว่าเข้ากันได้เข้ากันได้กับอะไร เข้ากันได้กับกิเลสของตัวเองเข้ากันได้กับกิเลสของตัวเองกิเลสของตัวเองมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันก็เลยเข้ากันได้อาจารย์องค์นั้นก็เลยเข้ากันได้นี่อย่างนี้ก็อีกคอหนึ่งทีนี้้อต่อไปอีกว่าอย่าถือเอาว่าฟังดูวมันน่าเชื่อฟังดูแล้วมันก็น่าเชื่อ ก็ยังใช่ไม่ได้อยู่นั่นเองนอะหน่าเชื่อก็ใช้ไม่ได้เอาเพียงแต่ว่าเอาเป็นการบ้านไว้ก่อนไอ้ที่หน่าเชื่อนี่เอาไปตรีตรองออกไปปฏิบัติ ด, ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนี่เดี๋ยวข้อนี้ก็ยังใช้ไม่ได้เอนน็นี้ข้อต่อไปอีกว่าอย่างไงก็ต่อไปนี่เป็นข้อสุดท้ายาเออชมานานี่เป็นครูของเรานี่เป็นครูของเราพระพุทธเจ้าตรัสกับพระสารีบุตรว่านี่ สารีบุตรแล้วเธอจะเชื่อหรือพระสารีบุตรก็เลยกราบทูลว่าข้าพระองค์ยังไม่เชื่อพระเจ้าค่ะที่พระองค์พูดอ่ะพระองค์ต้องไปปินิพพิจารณาดูก่อนจะไม่เชื่อทันทีพระพุทธเจ้าตรัสว่าถูกแล้วถูกแล้วสารีบุตรอย่างนั้นแหละถูกแล้วนี่แม้แต่พระองค์เองพระองค์ก็ไม่ใหยเชื่อพระองค์อีนี้เรามาเชื่อง่ายเชื่อ เชื่ออย่างนี้ก็เรียกว่ามีศรัทธานำมีศรัทธานาหน้าแต่เสร็จแล้วขาดปัญญาเพราะฉะนั้นการที่จะเชื่ออะไรนี่ต้องมีปัญญาปีนิดพิจารณาเสียก่อนอนี่ปัญญาปีนิดพิจารณานะทำยังไงก็คืออาจารย์เยอะแยะเต็มบ้านเต็มเมืองเที่หมดมีการเข้าคอดสนี้ การปฏิบัติกันเรื่อยที่นั่นสามวันที่นี่เจดวันที่โน้น15บห้าวันคนนั้นก็มาบอกว่าที่นั่นดีคนนี้ก็มาบอกว่าที่นี่ดีดีทั้งนั้นเลยแต่เสร็จ แ, แล้วเป็นยังไงเราต้องพิสูจน์ดีนะมันคืออะไรดีคืออะไรดีที่ตรงไหนต้องพิสูจน์ทีนี้ถ้าเราดูในโพดจงเจ็ดสตีสติสติก็คือสติปัฐานสีนั่นแหละ มีสติเห็นกายในกายมีสติเห็นเวทนาในเวทนามีสติเห็นจิตในจิตมีสติเห็นธรรมในธรรมเห็นแล้วมันก็ปล่อยวางหนึ่งสติสองธรรมมัจจยะนี่ข้าวกันแล้วข้าวกันแล้วกับกับอันนี้แหละกับเรื่องนี้แหละธรรมมัจจยะก็คือธรรมวิจัย ฉะนั้นไปฟังอาจารย์รูปไหนอาจารย์องค์ไหนที่วัดไหนสำนักไหนไม่ใช่ว่าหลวงพ่อบอกว่าต้องมาเชื่อหลวงพ่อไม่ต้องไปเชื่อพระองค์อื่นหรอกไม่บอกอย่างนั้นไม่บอกอย่างนั้นไม่เห็นแก่ตัวอย่างนั้นไม่ต้องการอย่างนั้นท่านต้องเอาไปทำเป็นธรรมวิจยะก่อนต้องเอาไปวิจัยก่อนเอาไปวิจัยในขั้นแรกว่านี่ใช้ได้ไหม เป alloy, ็นยังไงเนี่ยเอาไปวิจัยก่อนพอเอาไปวิจัยเสร็จแล้วก็ยังไม่จบไอ้หลวงพ่อบอกว่าเออไปท <ız. S 2> ี่ไปภาวนาไม่ใช่กูเดินก็ <ario> ไม่ใช <Cy> ่ก <descript. S 2> ูน <t> ั่งก็ไม่ใช่กูนอนก็ไม่ใช่กูกินก็ไม่ใช่กูอาบถ่ายไม่ใช่กูอะใจกูทางนั้นสำนักนี่สำนักไม่ใช่กูนี่มันเป็นสำนักไม่ใช่กูทีนี้ยังไงเราก็ไปภาวนาไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กู เอ๊ะทำธรรมวิจัยดีกว่าไม่ใช่กูนี่มันอะไรพอเป็นสมาธิหน่อยหนึ่งก็ไม่ใช่กูนี่มันอะไรไม่ใช่กูไม่ใช่กูมันก็ไม่มีกูนีไม่มีกูเออไม่มีกูมันก็ว่างจากกูทีอ่อ้าวนี่ใจได้แล้วธรรมวิจัยแล้วไม่ใช่กูมันก็ว่างจากกูที่เพราะมันว่างจากกูผมคนเล็บขนหนังเงื่ อ, อนกระดู ร่างกายจิตใจกันห้ามันก็ไม่ใช่กูดิไม่ใช่กูมันก็ว่างจากกูดินี่เห็นไหมนี่เดี๋ยวว่าไปทาทำมายวิจัยก็ไปทาทำมาวิจัยก็จะโกรธขึ้นมาเออมันไม่ใช่กูนี่จะไปโกรธทำไมอ้าวนี่แหละได้ผลอ๋อก็เกิดเจ็บปวดขึ้นมาเกิดเจ็บปวดขึ้นมาเกิดเวทนาที่เป็นทุกข์ขึ้นมามันไม่ใช่กูนี่อ้าวเจ็จแล้วก็ใช้ได้นี่ไม่ใช่กู ก็เลยภาวนาแข่งกันเลยภาวนาแข่งกันว่าเออความเจ็บปวดมันปวดปวดปวดปวดมันเจ็บเจ็บเจบเจ็บเจ็บเจบมันใกล้จะตายแล้วไม่ใช่กูไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจ ก, ใกูอุ้ยมันชาชาชามันชาอย่างนั้นเปลี่ยนเปลี่ยนรูปใหม่ว่างทีนี้เอาว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างวงอันนู้ก็เจ็บอยู่อันนี้ก็ภาวนาอยู่ภาวนาว่าไม่ใจกูเนะี่ยมันยืดยาดมันยืดยาด ก็เลยว่างตัวเดียวทินี่พอเอาว่างตัวเดียวไอ้คนโง่มันก็ว่างไม่มีอะไรโอ้ไปโน่นอีกว่างก็คือว่างจากตัวกูเอ็นไหมว่างจากตัวกูว่าว่างจากตัวกูรวดทุกอย่างนี่มันว่างว่างจากตัวกูในร่างกายของเราร่างกายจิตใจนี้มันไม่ใช่กูแล้วก็มันว่างจากตัวกูแล้วเราก็เอาคำว่าว่างว่างว่างว่งว่างว่างว่างตัวเดียว ก็ว่างตัวเดียวว่างตัวเดียวจนกระทั่งว่าจิตแยกออกจากเวทนาตัวนั้นจิตแยกออกจากกายจิตแยกออกจากเวทนาจิตแยกออกจากจิตจิตแยกออกจากธรรมชาติจนเป็นโลกุตระธรรมโลกุตระธรรมอยู่เหนือโลกอยู่เหนือกายอยู่เหนือจิตอยู่เหนือเวทนาเกวเนื้อหมดนี่นี่คือว่างว่าง ว่างนะมันมีอยู่ก่อนแล้วมันมีอยู่เดิมแล้วว่างก็คือพระธรรมพระธรรมฉะนั้นเราต้องวิจัยต้องไปเอาไปทํทาธรรมะวิจัยธรรมะวิจัยข้อที่สองของพคตชงหนึ่งสติจองธรรมวิจัยยะพอทํทาธรรมะวิจัยเสร็จแล้วก็ต้องปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วเกิดปิติขึ้นมาเกิดปัสสติขึ้นมาเกิด อ, อะไรขึ้นมาจนโน่นละ เบกขาสัมโพชงนู่นแหละเห็นไหมเห็นไหมนี่เลยเรียกว่าอย่าไปติดอยู่กับอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งองค์ใดองค์หนึ่งอย่าไปติดแต่ให้ติดธรรมะติดธรรมะติดที่ตรงไหนอีกอ่ะติดธรรมะติดที่ตรงไหนอีกพุทธธรรมมีเยอะแยะหมดติดวัดก็ไม่ได้ติดอะไรก็ไม่ได้ติดไม่ได้ทั้งนั้นทีนี่ถ้าเราไปติดวัดก็ไปแต่วัดนั้น วัดอื่นเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ติดวัดติดวัดแต่ก็ไม่พอติดอาจารย์ติดอาจารย์ติดอาจารย์าารยไม่เอาอีกอติดธรรมะติดธรรมะแต่จะได้ธรรมะดับทุกข์ได้ไม่ได้ที่เราติดอะดับดับทุกข์ไม่ได้ต้องไปติดมันทำไมไปติดมันทำไมติ้งก็ไม่ดีกว่ามันหนักทำไมเพราะฉะนั้นที่พูดเนี่ยที่พูดมาเรียกว่า อ า, า อ, อารามุอารามอารามุเรียกว่าอารามอารามคือสถานที่ที่เรายินดีเราเข้าไปแล้วจิตใจมันสงบเย็นดีนั่นเรียกว่าอารามทีนี้เรามาที่นี้อารามดึงมายัางไม่พอแต่เสร็จแล้วเรามีธรรมะธรรมะเป็นที่มายินดีธรรมะเป็นที่มายินดีเรียกว่า ธรรมราโมธรรมาราโม ม, าาโ ม, มีพระธรรมเป็นที่มายินดีจึงบอกว่าเราทุกคนที่มาจากกรุงเทพมาจากสุราษฎร์มาจากที่ไหนก็เพราะว่าเราชื่อยินดีนี่ทุกคนที่นั่งกลางหน้าหลวงพ่อนี่ชื่อยินดีทางนั้นหละยินดีทางนั้นยินดีอะไรธรรมาราโม ยินดีในพระธรรมยินดีในพระธรรมในพระธรรมก็มีตั้ง 84% ดหมันธรรมขันไปยินดีขันหน่อยไปยินดีกองไหนเลือกอีกยินดีในเรื่องของธาตุเรื่องของธาตุพินิษฐ์พิจรารณาวิเคราะห์วิจัยเรื่องธาตุวิเคราะห์วิจัยเรื่องอายตนะวิจัยในเรื่องของขันธ์ห้า ที่เคราะวิจัยในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทในเรื่องสายเกิดทุกข์ในเรื่องสายดับทุกข์นี่ธรรมารามโมทั้งนั้นธรรมารามโมทั้งนั้นไม่อย่างนั้นเหมือนกับเราเข้าไปในป่านั่นแหละไปต้องการไม้เอามาทําอะไรสักอย่างหนึ่งเอามาทําด้ามจอบมาทําด้ามเสียมเอามาสางบ้าดอ้าวเสร็จแล้วไม่รู้จักมม้ก็ไปเลือกเลือกเลือกเลือก ไปไปมามก็เลยไปตายอยู่ในป่านั้นไม่ได้อะไรมาเลยนี่เห็นไหมเมื่นก้าไปในป่าแล้วก็ไปหลงป่าต้องการไม้มีแก่นแต่เสร็จแล้วก็ไปได้ไม้ที่ไม่มีแกนมาต้องการไม้มีแก่นเอามาสร้างบ้านอย่าให้ปลวกมันขึ้นเสร็จแล้วก็อ้ไอ้ไม้ต้นนี้มันตรงดีก็เอาไม้ต้นนั้นเสร็จแล้วเป็นยังไงไม่รู้จักไม้ ไม่มีแก่ไม้นั้นไม่มีแก่พวกปวกเรียกว่าพลวกพลว ก, ลวกไม่มีแก่เอามาสร้างบ้านไม่กี่วันมันก็พังเนะไปเห็นต้นกล้วยก็อย่างนี้โอ้นี้เลยมันต้นสวยดีตรงดีไปเอาต้นกล้วยมา ท, ทําเสาบ้านให้มันสร้างได้หรือต้นกล้วยเพราะฉานั้นข้าวไปในป่าเราก็ต้องรู้จักต้นไม้ข้าวไปในพระธรรม ธรรมาราโมนิเป็นกับข้าวไปในป่าต้องดูว่ามีแก่นไหมแก่นอยู่ตรงไหนชนชะตาเนี่ยคือแก่นอนัตตาเนี่ยคือแก่นเนี่ยมันเป็นแก่นทั้งนั้นถ้ามันดับทุกข์ได้และมันเป็นแก่นแก่นนั้นในกาลามาสูตรทั้งหมดนั่นแหละกาลามสูตรพอเอาของอาจารย์นั้นมาเทียบกับอาจารย์นี้อาจารย์นี้เทียบกับอาจารย์โน้นโอ้ยออกมาวิเคราะห์ออกมาวิจัยแล้วดับทุกข์ไม่ได้ ไม่เอาไม่เอาเอาไปทำไเอ่ะอีนี่บางคนก็ไปบ้าอาจารย์บ้าอาจารย์ไปชอบใจอาจารย์อาจารย์ที่เป็นพระก็ดีอาจารย์ที่ใหม่เป็นพระก็ดอีอยากเอาอาจารย์ขอัยเถอะพูดหยาบดอยอยากเอาอาจารย์นั่นมาเป็นผัวมีบางคนก็มีมีอย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าบ้าอาจารย์ทีนี่พระรูปเด่นเห็นไหมที่ไป ไปบ้าพูดอะไมันตรงๆกันเลยดีกว่าไปบ้าพระพุทธเจ้าไปบ้าพระพุทธเจ้าก็ไปนั่งดูดูดูดูดูพระพุทธเจ้านั่งดูอยู่นั้นนั่งดูพระพุทธเจ้าอยู่นั้นตั้งแต่ไม่บนวชน่นนั่งดูพระพุทธเจ้านั่งนั่งดูถ้าว่าไม่ได้ดังใจบวช ด, ดีกว่าจะได้นั่งดูพระพุทธเจ้าพระองค์ก็นั่งเทศเทศเทศเทศเทศได้ฟังในถ้ำกลางบริษัทนั่นแหละ นายคนนั้นก็เลยไปนั่งดูนั่งดูดูดูดูดูต่อไปมันไม่ได้นั่งใจบวชดีกว่าพราะบวชแล้วก็ไปนั่งดูหน้าธรรมศาสนั่นแหละไปนั่งดูดูดูดูดู่งดูพระพุทธเจ้านั่งดูแต่พระพุทธเจ้านั่งดูพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้ไม่ใช่พระองค์ไม่มีรู้ในเรื่องขนาดนี้นี่ทําไมจะไม่รู้นี่กาขนาดนี่ที่นี่พระองค์ก็รอก่อนรอให้ อินทรีย์ของเขาแก่กล้าพอก่อนทนี้ถ้าองค์อินทรีย์แก่กล้าแล้วก็พอพอได้ทีนี้อยู่มาอยู่มาอยู่มาพอบวชแล้วอะไรแล้วอ่านั่งดูพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าตรัสว่านี่เธอมานั่งดูเราทำไงเนี่ยนั่งดูอยู่นานแล้วเธอรู้ไหมที่เรานี่มันมีอะไรแต่ข้างในปุงก็มีแต่ขี้มันมีแต่ท้าย มันมีแต่อาหารมันมีแต่สิ่งที่จกระปรกมันมีแต่เลือดมันมีแต่เนื้อมันมีของเหม็นของขาวทั้งนั้นเธอดูว่าเราสวยจมูกสวยเธอตัดเราจมูกออกไปเธอดูว่าตาสวยควักลูกตาออกไปที่ดูว่ามือสวยเธอตัดมือเราออกไปนี่มันสวยที่ตรงไหนไม่เห็นมันมีอะไรสวยเลยทีนี้เธอดูเรายังไม่พอเธอดูตัวเธอเองที่ ที่มันถ่ายออกมานะ่ยมันเป็นอะไรที่มันต่ายหนักต่ายเบาขี้เหงื่อขี้ใครผมขนเล็บฟันหนังนี่ถ้าไม่ทําความสะอาดมันจกกบกระปรกทั้งนั้นเลยนี่เรียกว่าอาจุกีอาจุจีอาจุจิอาจุจีแปลว่ามันจกกบกระปรกร่างกายนี่มันมีแต่สิ่งที่จกกบกระปรกทั้งนั้นเลยนี่เห็นไหม่พระพุทธเจ้าเห็นว่าเออพอได้แล้วพอได้แล้ว ครั้งจุด้ายพระองค์คิดว่านี่ครั้งจุดตายแล้ยถ้ามันไม่ตายเฉยมันก็รู้แหละแต่ถ้ามันไม่รู้มันก็ตายแหละเป็นยังไงทีนี้โอ้พระพุทธเจ้าเราอุตสารักพระองค์ชอบพระองค์มานั่งดูมานั่งฝ้ามานั่งอะไรอยู่แ็จแล้วไม่รักเราสักนิดหนึ่งเลยพระพุทธเจ้าตายดีกว่าอย่างนี้ตายดีกว่า ทำยังไงทีนี้เลยไปนู่นไปที่ขึ้นบนภูเขาขึ้นบนภูเขาภูเขานั้นมันก็มีเหวอยู่ไปกระโดดเหวให้ตายเฉยเลยเป็นยังไงทีนี้พอไปถึงป่าเหวเออที่พระพุทธเจ้าพูดนี่มันจริงทางนั้นเลยนี่คิดขึ้นมาได้จริงทางนั้นเลย เ, เรานี่มันโง่โง่บัดซบเลยบอกตัวเองว่เาเรามันโง่บัดซบเลยโ ง, ง่จริงๆกลับเนื้อกลับตัวได้ ก็กลับอะก็กลับใจนั่นแหละกลับใจได้กลับใจได้เพรากลับใจได้อย่างนี้ก็ามากราพระพุทธเจ้าที่นี้นะกราบพระพุทธเจ้าเนี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนสอนธรรมะเลยเราองค์ตรัสว่านี่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดจะมาจับจีวรของเรามาจับเนื้อจับตัวของเร า, เรารกรา็ไม่รู้จักเราไม่รู้จักเรา เราในที่นี้ไม่ใช่เนื้อหนังเราในที่นี้ไม่ใช่จีวรเราในที่นี้ไม่ใช่ร่างกายเราในที่นี้คือจิตที่มีคุณธรรมจิตที่เป็นสุญญาตาที่ว่างจากตัวตนจิตที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นอะไรแล้วนั่นเราในที่นี้เราของพระพุทธเจ้านั่นผิดกันกันกบเราของพวกเรานี่ เราของพวกเราเราที่เป็นกูนี่มันมีแต่สิ่งตกกระปรบทั้งนั้นเลยที่มันเข้าไปยึดถือใครเข้าไปยึดถือจิตโง่จิตโ ง, ตง่มันเข้าไปยึดถือเข้าไปยึดถือว่าตัวกูแต่เสร็จแล้วตัวกูนี่บเบรกมันไม่อยู่ไม่ให้แก่มันก็ยังแก่ไม่ให้เจ็บมันก็ยังฝืนเจ็บไม่ให้ตายมันก็ตายไหนมันตัวกูที่ไหน ตัวกูแต่ปากลมๆแรงๆแค่นั้นเองทีนี้จิตที่ข้าไปยึดถือว่าตัวกูนะ่ะมันจิตอะไรนะจิตโง่ที่เรามาที่นี้เราต้องการจิตฉลาดเราต้องการธรรมะนั้นเอามาไว้ที่จิตให้จิตนั้นฉลาดจางพินิจจางพิจรารณาเห็นว่าสิ่งทัง้งสิ่งทั้งปวงเกิดดับว่างจากตัวตน มันว่างจากตัวตนเราทุกคนจะต้องดับร่างกายนี้มันก็จะต้องตายพอลมมันดับหายใจข้าวแล้วไม่ก่อหายไม่หายใจออกหายใจออกแล้วมันไม่หายใจข้าวมันก็ดับแค่นั้นเองร่างกายนี้มันก็ดับยังไไม่ให้มันกินอาหารมันก็ดับแค่นั้นเองนี่เรียกว่ามันดับดับทีนี้ไอ้ดับร่างกายน่ะมันไม่พอมันต้องดับที่จิตดับที่จิต ดับที่จิตดับตรงไหนดับไปตัวจิตโง่นั่นดับไปตัวจิตโง่นั่นเสียพอดับจิตโง่มันได้จิตแล้วจิตฉลาดจิตที่ประกอบด้วยสติปัญญามันก็จะเกิดเอ๊มันจะเกิด <c oughs> จะเกิดขึ้นมาได้ยังไงทีเนี้ยจะเกิดขึ้นมาได้ต้องปฏิบัติตามองค์มครรคที่ทางเดินพระพุทธเจ้าตรัสว่านี่เดินทางนี้นะลูกนะลูกทุกคนเดินทางนี้เอ ตอนที่เขาทาภาพปฏิจจธรรมุปบาทเอาไว้น่ะพระพุทธเจ้าที่ยืนอยู่วนหัวยักษ์ที่ยืนอยู่หัวยักษ์แล้ก็ชี้ไปทางนู้นข้ามหัวยักษ์ไปแล้วก็มีภาพสุญญตาในภาพกลมๆอยู่หรือว่าบางทีก็มีภาพธรรมจักรมีภาพธรรมจักรบอกว่าเนิ่นทางเดินอยู่ทางโนู้ น, นเดินแล้วเจอเดินได้มันจุดทางเมื่อเดินทาง อริยมรรคมีองค์8ก็จะเห็นอริยสัจสสัมมาทิฏฐิมีความเห็นอันถูกต้องเห็นอะไรเห็นอริยสัจสี่เห็นขันห้าเห็นปฏิจจสมุปบาทพอเห็นอริยสัจสี่เราก็ทุกคนจําได้ทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่เราควรกําหนดรู้ทุกเรากําหนดรู้ได้แล้วเหตุใ้เกิดทุกเหตุใดเกิดทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ ก็เหมือนพระวักกะลินั่นแหละพระวักกะลิทุกเพราะอะไรทุกเพราะความรักรักพระพุทธเจ้ามันคงจะเป็นตุ๊ดเป็นอะไรพวกนั้นรักเพศเดียวกันนอะรักเพศเดียวกันพระพุทธเจ้าโดยเป็นเพศก็พระองค์ก็เป็นผู้ชายพระวักกะลิก็เป็นผู้ชายมันไปรักกันทําไมแม้แต่ผู้ชายกับผู้หญิงที่รักกันมันก็ ทั้งนั้นเรื่องของกามทั้งนั้นของกามทั้งนั้นทีนี้พระองค์ก็เทศพูดอะไรกันฝร่พูดเรื่องนี้แหละอริยสัจนี่แหละทีนี้พระพุทธเจ้าที่พระองค์ชี้ว่าความทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่เราควรกําหนดรู้ทุกเรากําหนดรู้ได้แล้วเรารู้หรืออย่างว่าทุกเน่ยมันเป็นยังไงความรักมันก็เป็นทุกข ความเกลียดมันก็เป็นทุกข์ความโกรธมันก็เป็นทุกข์อะไรเป็นทุกข์หมดอะ ร, รักจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรขึ้นมาเป็นทุกข์ทันทีกูเกิดทันทีเพราะฉะนั้นต้องวิจัยดิวิจัยเรื่องทุกข์กันดีว่าทุกข์มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกข์เป็นสิ่งที่เราควรกําหนดรู้ทุกข์เรากําหนดรู้ใหม่แล้ได้แล้วนี่ไม่วิจัย ว่าทุกนี่มันมาจากไหนมันมาจากไหนเนี่ยความทุกหนีเน้เราไม่วิจัยเรามาวางสันติบรรพฤษเรามาทำไมถามตัวเองว่ามาทำไมเรามาหาทุกเดืนมาเพื่อที่จะดับทุกถ้ามาหาทุกไม่คุ้มแล้วไม่คุ้มกับเงินทองที่เสียไปมาเพื่อจะทุกนี่มาทาไมมาทาไมเรามาเพื่อที่จะดับทุกที่มาหาธรรมะ หาธรรมะเพื่อที่จะดับทุกข์ทีนี้นั่นพระพุทธเจ้าตรัสว่านี่ดูกรวกกะลิดูกรวกกะลินี่ทางเดินเป็นอย่างนี้อย่างนี้เต้องปฏิบัติตามบรียมคเมองค์แปดปัญญาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ศีลเป็นอย่างนี้อย่างนี้สมาธิเป็นอย่างนี้อย่างนี้ต้องเดินทางนี้เราเดินทางนี้เกิดปัญญาขึ้นมาพอเกิดปัญญาขึ้นมา เว็บขึ้นมาอพอเว็บขึ้นมาคือไม่ใช่ว่าเกิดเห็นรูปพระพุทธเจ้าว่ากูตายดีกว่าอยู่ทําไหมกระโดถิ่วใหม้มันตายเนี่ยมันหมดเรื่องหมดราวไปมันหายโง่เลยไม่หายหรอกโง่แล้วมันไม่หายหรอกนี่ก็เรียกว่าโง่จนตายอย่างนั้นโง่จนตายทีนี้พอเสร็จเล้๋ยวกลับหลังหันโอ้่พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสอย่างนี้เองกลับไปถึงก็ไปกราบพระพุทธเจ้า กราบพระพุทธเจ้านี่รู้ขึ้นมาแล้วตอนนี้รู้ธรรมขึ้นมาแล้วไม่ไปหลงขี้ไม่ไปหลงทาาพระพุทธเจ้าอยู่หรอกพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่ขี้ไม่ได้อยู่ที่ทาาไม่ได้อยู่ที่เนื้อหนังไม่ได้อยู่ที่จีวรไม่ได้อยู่ที่อะไรไม่ได้อยู่ที่อะไรทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในทุกขหนนทุกแห่งแต่ว่าเราต้องรู้พระพุทธเจ้า ที่อยู่ในใจของเราถ้าใจของเรามีมิจฉาทิฏฐิหายหมดพระพุทธเจ้าไม่อยู่หายหมดพระธรรมก็ไม่อยู่กระสงก็ไม่อยู่หายหมดเลยหายหมดเลยทีนี่ถ้ า, าว่าในจิตในใจของเราเราปฏิบัติว่าทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่เราควรกำหนดรู้ทุกเรากำหนดรู้ได้แล้วรู้เรื่องทุกพอรู้เรื่องทุกข์ก็เหตุอะไมันเกิดทุกข์อะไรนี่ ความรักเป็นทุกข์ความเกลียดเป็นทุกข์ความโกรธเป็นทุกข์ความโง่เป็นทุกข์ความอิจฉาลิษยาพอใจเป็นทุกข์คามยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยนั่นคือความทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์เหตุของความทุกข์มันมาจากความยึดมั่นถือมั่นนี่เรียกว่าสมุทัยความยึดมั่นถือมั่นถ้าไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมา ทนี้เราก็มีสองตัวนะสองตัวพูดโดยที่ว่าอริยสัจสี่เนี่ยเรามีอริยสัจสี่กันทุกคนแต่ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมะอริยสัจสีได้แค่สองตัวหนึ่งทุกสองเหตุได้เกิดทุกขก็ยังไม่รู้จักอีกความทุกก็ยังไม่รู้จักเหตุได้เกิดทุกก็ยังไม่รู้จักทุกคือฝ่อยทุกน่ะมันคือฝ่อยเหตุได้เกิดทุก ฟืนฟืนทีนี้แต่ละวันแต่ละวันนาฟืนนาฟืนหนาฟืนนาฟืนมาเอามาโกงฉมวาเอามาฉมวายฉมวายฉมวาเอามาฉมวายฉมวายฉมวาทีนี้ฟืนนอะไรฟืนราคะก็คือฟืนโตษาก็คือฟืนโมหะก็คือฟืนในฟืนน่ะมันมีเชือกไฟอยู่ภายในนั่นแหละมันมีเชือกไฟอยู่ในฟืนนั่น ฟืนก็คือความยึดมั่นถือมั่นเอาทีนี้พอมันไอไอไ อ, ไอตัวกองทุกตัวกองทุกก็คือตัวกองไฟกองทุกนะ่ะคือกองฝยทีนี้ไอกองฟืนราคะโทสะโมหะเหรอเฮ้ยเราก็หาแต่ราคะโทสะโมหะพอไอกองฝยจะมอดลงไปหน่อยนึงออื ใส่ก็ไปแล้วเอาคืนใส่้าไปแล้วว่าจะมอดใส่ก็ไปแล้วพอจะมอดใส่ก็ไปแล้วก็ว เ, ลวเลยไม่ดับสักทีเนึ่องอวิชาไม่ดับสักทีเนี่งไปดับมันได้ยังไงที่อาวิชาต้ออย่าเอาขืนใส่เข้าไปที่ต้องศึกษาที่ไฟเนี่ยมันคืออะไรร้อนมันร้อนมันเผาจิตเผากายเผาใจเผาหมดมันเผาคนนั้นเผาจนนอนไม่หลับ ความรักมันก็นอนไม่หลับมันเผลอเป๋าเผลอเผลอเป๋อเผลอไอความโกรธมันก็นอนไม่หลับไอความเกลียดมันก็นอนไม่หลับไอความยึดมั่นถือมั่นมันถึงที่นอนไม่หลับแจ้าว่า ย, ยึดมั่นถือมั่นว่าอะไรโอ้ตอนนี้น้ำท่วมกรุงเทพนะมัง้งตอนนี้อคงจะท่วมบ้านเราแล้วคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านเออตัวเย็นก็นยังไม่ได้ยกไอ สัพสมบัติอะไรตัวอะไรก็ยังไม่ได้จัดแจงไอ้เรียบร้อยนอนไม่หลับเลยเพราะอะไรยึดมั่นถือมั่นนี่แหละเพราะยึดมั่นถือมั่นทีนี้ไอ้สัพสมบัติไอ้ตัวความยึดม exactly. like ั่นถือนั้นน่ะฟืนอันนั้นแหละมันฟืนทีนี้ก็เลยไอ้นอนก็ลุกโปรงโปรงโปรงโปรงปรงปงลุกโปรงโรงอยู่อย่างนั้นลุกโปรงโพรอย่างนั่นนี่ตัวโง่เห็นไหมมันเฝาเฝ้าจิตเผาใจเฝาร่างกาย นอนไม่หลับเลยมันจะกินได้ที่ไหน่มันก็กินไม่ได้กินไม่ได้ก็กินไม่ได้มันก็ผอมทีไม่จำอะไรมันก็ตายอะไอย่างนั้นอะทีนี้ตามันกลับเนื้อกลับตัวกลับใจใช่บอกเอ้ยไปยึดมั่นถือมั่นมันทําไมอ่ะนั่นเน่ยมันจึงจะใช้ได้มันเริ่มที่จะใช้ได้อย่างนี้ดังนั้นประวัตกะลิน่ยยึดมั่นถือมั่นจนเกือบจะตายแล้วเหลือเสี้ยววินาทีเดียวแล้วจะกระโดดเหวแล้วนี่ก็อะไร ความรักความรักเกิดขึ้นเพราะอะไรยึดมั่นถือมั่นนี่เพราะยึดมั่นถือมั่นอันี้เราต้องปฏิบัติที่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิความเห็นอันถูกต้องเห็นอริยสัจสี่ <cle an> เห็นอริยสัจสนี้เป็นตัวสําคัญมากพระพุทธเจ้าถ้าไม่จัดจรู้หรือว่าไม่เห็นอริยสัจสีก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้พระอรหันต์ทั้งหลายก็ถ้าไม่เห็นอริยสัจสี่ก็เป็นพระอรหันต์ไม่ได้ อริยรสัจสี่เอนอริยรสัจสีก็หนึ่งทุกสองเหตุให้เกิดทุกสามความดับทุกขความดับทุกขคือนิโรธถ้าไม่ปฏิบัติตามอริยมรมีองค์8ไม่ได้ถ้าไม่เดินทางนั้นมันก็ไม่ถึงหรอกไม่มีทางถึงสําคัญที่สุดสําคัญมากๆสําคัญจนพูดกันไม่หมดอริยมรมีองแปดมีปัญญาสองข้อมีศี่งสาข้อ มีสมาธิสข้โคต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ดมันจึงจะผลิตนิโรธขึ้นมาได้นิโรธคืออะไรนิโรธคือตัวดับดับอะไรดับตัวเหตุเหตุใ้เกิดทุกข์นั่นแหละนี่คือดับตัวเหตุให้เกิดทุกข์ในเรื่องนี้จะต้องพูดกันยาวเวลาก็จบแล้วขอให้ท่านทั้งหลายคอยควงต่อ นอนภาคคํำอีกต่อไปถึงเวลาจะต้องไปบินทบาทไปโปรดโยมไปใจโปรดโยมแล้วไปโยมโปรดแต่โยมไม่โปรดเราก็ไม่มีอะไรฉันต้องไปโปรดโยมเนี่ยไปโยมโปรดก่อนบางวันก็ได้โปรดโยมเอาหนังสือไปให้เอาแผ่นซีดีไปให้โยมฟังก็ได้โปรดโยมแต่โยมไม่ฟังไปเช้าๆ้าก็โยมก็ต้องโปรด เอาข้าวมาใส่อาหารมาใส่ของหวานมาใสนะ่เพราะฉะนั้นเวลานี้ก็ต้องถึงเวลาที่จะต้องไปโปรดโยมก่อนก้นะอยควังต่อในภาคค่ำนะในคืนต่อไป